เป็นแรงช่วยพักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมหวังนังใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ว่ามวงเหลืองข้าสู่ความบุ่งเรืองทั่วกันดังคูมต้นโตสู่แดด วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบ้ า, างามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนหน้าทัน น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันถาศรัทธาบัน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 ก็เป็นผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้ดีนะครับนะก็ในช่วงที่กําลังมีการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับนะหลังจากที่เรามาเจอกระแสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดระบาดกันมาอีกระลอกนึงนะครับนะแถว ทางภาคเหนือนะครับแถวแถวเชียงรายเชียงใหม่แถวจังหวัดตากนะที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ยแหละครับนะก็มีการระบาดก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่กําลังจะฟื้นตัวกันขึ้นมาแถวภาคเหนือเพราะว่าคนจะนิยมไปเที่ยวทางเหนือเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็ฟุบลงไปอีกนะครับนะโดยเฉพาะแถวเชียงรายเชียงใหม่เพราะว่านักท่องเที่ยวนี่ก็หวาดกลัวกันนะก็คงจะต้องเร่งแก้ไขปัญหา โ ด, โดยเร่งด่วนนะครับนะเพราะจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ชะลอตัวได้เหมือนกันนะเพราะกาะต้องเที่ยวเนี่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูในส่วนของนะกระทรวงพาณิชย์นี่ยําลังจะเตรียมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะปรับรับรับมือเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 กนะก็จะมีการจัดสัมมน า, าผู้ประกอบการ ทั้ง SME ทั้งผู้ประกอบการต่างๆนะครับซึ่ง ข, าข่าวความเคลื่อนไหวในกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับสภ า, าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะมีการจัดสัมมนาโรดแมปเกี่ยวกับเรื่องของแก้ไขการรับมือโควิด -19 กันนะครับซึ่งตรงนี้สำนักงานยุดนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์จับมือกับสภ า, าอุตสาหกรรมนะก็จะทาโรดแมป ให้กับผู้ประกอบการว่าเราจะรับมือกับโควิดอย่างไรนะครับนะการหาตลาดกันใหม่ๆหรือไม่นะครับแต่ซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการจัดประชุมกันนะครับนะซึ่งจะประชุมกันในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับนะที่แถวศูนย์ประชุมสุริกิจนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่พยายามที่จะกระตุ้นนะครับนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะที่จะส่งออกไปต่างประเทศ นะครับนะว่าจะทำอย่างไรในส่วนของ SME นะครับนะแต่ว่าเราก็ยังพึ่งตลาดแถวสหรัดแถวแถวจีนอยู่นะโดยเฉพาะผักผลไม้นี่เราส่งไปที่จีนเป็นหลักนะครับในขณะที่เกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์บ้างอั one, ลมนีต่างนี่เราก็ส่งไปตลาดของยุโรปของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรง น, นี้คงจะต้องรับมือกันกันให้ดีะครับนะเพราะว่า พอมีเกิดโควิดรอบสองนี่ก็ท่องเที่ยวซบเซาแต่ก็จะต้องไปเน้นสินค้าตัวอื่นนะครับนะที่จะไปจำหน่ายอย่างอย่างอย่างต่างประเทศนะครับแนตะ่ซึ่งจีนนี่เราก็ได้ตลาดใหญ่แล้วครับนะโดยเฉพาผะผลไม้จะเพิ่มปริมาณการส่งออกอย่างไรนะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะครับนกะ็เป็นที่ต้องการของของตลาดจีนแต่เราก็ยังมีคู่แข่งอยู่จากประเทศเพื่อนบ้านนะที่เขา ปลูกพลไม้ได้เช่นเดียวกันนะทำอย่างไรที่จะต้องให้มีการเชื่อมโยงทางด้านด้านการค้านะครับนะในส่วนของประเทศตะวันตกนี่เราก็กังวลกันอยู่เกี่ยกับเรื่องของการที่ในส่วนของทางสายวชาติทางยุโรปที่จับตามองไทยเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศประชาไตเพราะตรงนี้คงจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับนะนะตามข้อทดลองต่างๆเนี่ยจะต้องมีกระบวนการ ดำเนินการแก้ไขร่างนุ่นต่างๆนะเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของตะวันตกและสหรัฐเมกาเนี่ยอาจจะเอาข้ออ้างตรงนี้มากีดกันทางการค้านะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็ต้องอาศัยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดการค้าการขายกับประเทศต่างๆเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหลักเหมือนกันนะเพราตรงนี้นี่คงจะต้องมีการปรับตัวกันมากแล้วก็ในส่วนของ SME นี่นะครับในส่วนของ เอสเอต่างๆรวมทั้งเกษตรกรต่างๆที่ทําฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยจะต้องเน้นจําหน่ายทางออนไลน์มากขึ้นก็ได้นะครับนะเพราะใน ต, ตรงนี้นี่มีการขายสินค้าทางออนไลน์นี่มีการขยายตัวกันกันไปมากนะส่งผลิตผลกันไปทางบริษัทขนส่งทางไปรษณีย์และต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีช่องทางในการจําหน่ายออนไลน์ซึ่ง ตรงนี้ในตลาดเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นี่มีการขยายตัวมากเราจะเห็นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับหัตถกรรมอะไรต่างๆเนี่ยตามพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยเริ่มมามีการมาขายออนไลน์กันมากขึ้นนะแล้วปริมาณคนซื้อเนี่ยก็จะซื้อทางออนไลน์แล้วครับนะมีการไลฟ์สดกันนะแล้วก็มีการ มีการซื้อกันเดียวนั้นเลยแล้วครับมีการส่งทางไปรษณีย์รวดเร็วมากนะะ ต, ตรงนี้นี่ก็จะต้องอมีการปรับนะครับให้ส่วนของเกษตรกรก ร, รุ่นใหม่ๆได้กลับมาทำตรงนี้นะส่วนเอสเอมอีล e หลายๆส่วนนี่ปรับตัวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้าโอทอปต่างๆนี่ขายออนไลน์กันกันมากเลยทีเดียวผ่านทาง ช่องทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีนะครับหรือว่าทางทางอื่นๆทางไลน์ทางอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของการการทำธุรกิจ อ, ออนไลน์ในขณะเดียวกันนี้ก็ต้องในส่วนภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการไปเปิดตลาดใหม่ๆนะครับนะในในในประเทศอื่นๆและพยายามที่จะมีการ เจรจาทวิภาคนะีเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายการลดกำแพงภาษีโดยเฉพาะการนะเริ่มเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกับยุโรปกับยูหรือว่าในส่วนของกับสหรัฐกับประเทศอื่นๆนี่อาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ค, คือเราหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งในช่วงที่นะมีการรัดประหารนะครับกนะ็การเจรจาก็จะหยุดชะงักไปแต่หลังจากนั้นคลี่คลายมาก็จะเริ่มมีการเจรจากันใหม่กนะ็คิดว่านะ่าจะเปิด ตลาดใหม่ๆกันขึ้นมาได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทําโดยโดยเร่งด่วนแล้วครับเพราะว่าเศรษฐกิจของของไทยเรานี่ที่ผ่านมาก็พึ่งพิงเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากนะครับนะเมื่ออุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวซบเซานี่ก็ต้องหันมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการจําหน่ายธุรกิจสินค้าประเภทอื่นๆนะซึ่งจะทําให้มามามาเติมเต็มกันแล้วครับจะได้ฟื้นเศรษฐกิจก็จะได้ ฝืนยิ่งขึ้นมาล้ฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ลมนาวพัดโชยอ่อนไหวยากพี่อยู่ห่างไกลควัน อ, อ่อนเดินอยู่กลางลมนาวใจเหี่ยวฝ้าววอนจนจากไปแล้วใจเหงา ใจนอนแนบหนาวจำต้องลาไปใครยังห่วงใหญ่ไม่เบาวันนี้เราต้องจากกันฝากลมนาวพัดพาความคิดถึงข้าไปให้ามไว้ แค่ไหนก็ไม่แปรพันรักเจ้านั้นไม่สิ้นสุสดเฝ้ารำพึงคิดถึงแก้มนวนคนที่เคยเฝ้าควรวญสัญญาลมที่ช่วยอ่อนไหวดังจิตใจไฟหา ย ó i n píp ยลมที่โชยอ่อนไหวดังจิตใจไฟหาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมาลมที่โชยอ่อนไหวดังจิตใจไฟหาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมา มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่ในขณะที่เราเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนะหลายคนในลูกหลานกับจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดนะครับหลายจะว่างงานกลับมานะครับนะพะบริษัทปิดบ้างเลิกจ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็หลายคนก็เริ่มมาทำการเกษตรนะมีเกษตรตรก รุ่นใหม่ๆนะครับขึ้นมานะครับในการที่จะมารเริ่มทำทำการเกษตรนซึ่งซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็โมเดลหนึ่งที่ที่สนใจกันนะครับที่ทำกันก็คือโคโกหนองนาโมเดลนะครับนคัคือในาพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะถ้ามีพื้นที่นี่ก็จะมีการขุดสะนะครับมีการเอาดินขึ้นมาถมเป็นโคโกนะเป็นหนองแล้วก็อาจจะมีพื้นที่หนึ่งแบ่งไว้ทำนา นะครับในการอาจจะปลูกผักพืกพชผักนะไว้ทานกันเองนะเพราะฉนั้นตรงนี้นี่ก็รวมทั้งการทําปศุสัตว์นะการเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่เป็นเป็นแบบอย่างที่ที่ดีนะครับในหลายๆพื้นที่นี่นะมีการนะทำกันนะประสบความสําเร็จนะเราจะมีเกษตรกร ร, ก ร, นะรุ่นใหม่ๆนะที่เริ่มในการที่จะมาทําเกษตร แบบใหม่กันนะหลายคนนี่ถึงขนาดที่ไปมีการปลูกผักลอยน้ำนะครับคือไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ำนะซึ่งมีสารอาหารนะรกะ็ก็เป็นเป็นการฝึกฝนมีการอบรมกันอย่างเป็นระบบนะก็ทำได้เหมือนกันนะคนั้นตรงนี้ก็มีอยู่ในหลายๆเครือข่ายนะครับนะที่ที่ทำในส่วนของเกษตรกร ในในแบบใหม่นะครับนะซึ่งก็เห็นมีกิจกรรมตรงนี้ในส่วนของเครือข่ายปราชชาวบ้านเนี่ยนะครับของของบุรีรั ม, มเนี่ยมีการทํากันนะครับแต่ทั้งในรูปของเกษตรผสมผสาวนวรรณเกษตรนะครับรวมทั้งโคกหนองนาโมเดลเนี่ยในหลายๆจุดนะก็มีเครือข่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายปราชชาวบ้านก็มีส่วนนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายงานเกษตรในส่วนของสภากเกษตรนะ กมีของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะมีสภาเกษตรกรก็มีเครือข่ายนะของเกษตรเนี่ยไปทำอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับนะหรือพอชอเนี่ยก็จะมีเครือข่ายของของชาวบ้านที่ไปทำกเกษตรกระจายอยู่ในหลายพื้นที่นะผ่านาทางในส่วนของสภาชุมชนต่างๆนะครับนะในส่วนของพระปกก้าเนี่ สถาบันพระปกเกล้าโดยศูนย์การเรียนรู้การเมืองภาคพละเมืองมีการส่งเสริมให้เครือข่ายของเกษตรก ร, กรของสมาชิกเครือข่ายที่อยู่ตามแต่ละอำเภอเนี่ยนะมีส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการทําศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทํากา ร, กรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่ หลายๆศูนย์นะครับในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยทำเกษตรผสมผสานตามทฤษฎีใหม่นครับก็มีทั้งในส่วนของการทำแหล่งน้ำมีการทาสวนมีการทำนานะครับนาทำปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่ง ตรงนี้ในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีศูนย์นะครับในการเรียนรู้นะเป็นการกระตุ้นให้ในส่วนของประชาชนชาวบ้านเนี่ยหันมาสนใจการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับนะก็สามารถที่จะดํารงชีพยอยู่ได้นะฮะจะมาแทนที่พืชพืช เ, เชิงเชิงเดี่ยวนะครับถ้าถ้าเปิดปลูกพืช เ, เ, เชิงเดียวนี่หลายคนอาจจะเป็นนี่เป็นศินอาจจะต้องหันมาทํากา ร, กรเกษตรแบบผสมผสานนะครับนะซึ่ง ตรงนี้นี่ก็มีการทำกิจกรรมกันอยู่ในหลายๆจุดในหลายๆเขื่อนค่ายนะครับนะอย่างเช่นศูนย์ของพระปกเก้าในแถวประโคนชัยนี่จะมีอยู่ที่สวนสุขนะครับอยู่ที่ในส่วนของตำบลโคกม้าเนี่ยครับปานเกียรตเจริญนะของลุงจำรวงพวงประโคนนี่ก็ทำกเกษตรผสมผสานนะครับในพื้นที่ ลายสองไร่เนี่ยนะครับทำปลูกผักปลูกอะไรต่างๆกันนะครับเป็นปลอดสารแล้วก็ทำกิจกรรมซึ่งก็ก้าวน้าดูดีแล้วก็จะมีสวนผูมันะครับอยู่ที่บ้านตะลุงเก่าตําบลโคกม้าประโนชั่บุรีลำนี่ก็ทำในส่วนของอโคกหนองนาโมเดลนะครับทํานาผู้ศ ะ, ะในในในสวนนักปลูกพืชผักและต่างๆผสมกันไปรวมทั้งกิจกรรมบ้านดินนะครับนะเอาดินมาปั้น เป็นบ้านนะครับนะเพื่อที่จะอยู่อาศัยนะครับซึ่งก็เป็นสวนสาธิตนะครับรวมทั้งมีการนำโซลาเซลล์มาในการที่จะสูบน้ำขึ้นมานะครับนะทำการเกษตรนะซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นกิจกรรมของศูนย์นะครับเรียกว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะไปในเครือข่ายของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็ กระจายกันไปนะครับนะก็มีการกระตุ้นตรงนี้กันขึ้นมาแล้วยังมีอีกหลายๆอําเภอซึ่งต่อไปอาจจะมีการนํามาแนะนํามาพูดมามาคุยนะครับว่าในส่วนของเกษตรกรมีแนวคิดมีแนวทางาการพัฒนาอย่างไรเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่ก็กําลังมีการดําเนินการกันไปไปอยู่ค่อยๆดําเนินการกันไปเพราะอาจจะต้อง ใช้เวลาแล้วครับในทางด้านการเกษตรยต้องใช้เวลาในการที่จะบ่มเพาะในการที่จะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆซึ่งซึ่งตรงนี้นีก็ต้องไปเรียนรู้จากาเครือข่ายของจังหวัดอื่นด้วยก็เป็นการเชื่อมโยงกันเพราะตรงนี้นีคงจะต้องอดูกันในหลายส่วนที่จะมาร่วมมือกันสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสําหรับวันนี้ผม